มีผู้ชายคนหนึ่งนะพาครอบครัวมาสไายสังกัดทานอาตมาก็รับแล้วก็สนทนาพูดคุยกันพอคุยกันได้สักพักนะอาตมาก็ให้พรนะว่าขอให้เยว่เป็นสุขนะให้ปลอดภัยไกลทุกให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเสร็จแล้วคุยกัน่อีกสักพักแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็ ขอตัวจะลาตอนที่จะลากลับก็บอกว่าขอพรหน่อยแต่ว เ, เอาเพิ่งให้พรมาเมื่อสักครู่นี้โยมเนี่ยแกเข้าใจว่าหรือแกคิดว่าเนี่ยไอ้พอรเนี่ยมันจะเป็นพรได้ต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีคงอยากจะให้ตัมมาเนี่ยอ่ให้พรด้วยคถาที่เรียกว่ายถาสัพพี พอตอมาไม่ได้กล่าวยถาสัพพีแกก็เลยนึกว่ายัางไม่ได้ให้พรที่จริงให้ไปแล้วนะเป็นภาษาไทยแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนานะแต่ว่าโยงันนั้นเนี่ยแกไม่คิดว่านะั้นเป็นพรนะเพราะเป็นภาษาไทยต้องเป็นภาษาบาลีนะถึงจะเป็นพร นี่ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะภาษาบาลีที่อาตมาสวดไปเนี่ยก็เชื่อว่าเขาคงไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่ว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยเข้าใจได้เข้าใจง่ายก็น่าจะพอใจพอก็ถามต่าทักษ์นะว่าเนี่ยมาต้อยยังไม่ได้ให้พรเหรอเราบอกว่าให้พรไปแล้ว แล้วรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยให้พรนว่าอะไรตอบไม่ได้นะตอบ อ, อ, อึงอึง้งแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังหรืออาจจะไม่ให้ความสำคัญทั้งทงที่การอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้เรียกว่าจ้องแต่จะฟังภาษาบาลีหรือต้องจ้องแต่จะให้พระสวดเป็นคาถาบาลีเนี่ย ถึงจะคิดว่าคือการให้พรนะถ้าพูดเป็นภาษาไทยเดี๋ยวว่าแต่พรเลยนะให้ธรรมะก็อาจจะไม่ได้ฟังด้วยก็เป็นอย่างนี้กันเยินนะเวลามาหาพระเนี่ยก็รอแต่จะให้พระสวดแต่ว่าสิ่งที่พระพูดเนี่ยบางอย่างมันเป็นธรรมะแล้วมันก็เป็นพรด้วย กับไม่สนใจนะไม่ให้ค่าเลยฟังแบบผ่านๆหูนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเราจำนวนมากเนี่ยมาวัดเนี่ยมาด้วยความเข้าใจผิดนะอยากได้พรแล้วก็ได้ไปแล้วแต่ไม่คิดว่านั่นคือพรเพราะมันเป็นภาษาไทยมันไม่ใช่ภาษาบาลี แล้วก็มีอีกนะเวลาไปบินทบาทเนี่ยอาตมารับบาศแตสมาก็ให้พรนะอภิวาทนาสาอภิวาทนาสีลิสะนิจังอุทธาปจายโนโยมก็ตั้งท่าจะกรวดน้ำแต่ก็ไม่กรวดน้ำสักทีนะพอตมาให้พรเสร็จนะอันนี้เป็นภาษาบาลีเลยนะแกก็ทักว่าเนี่ย ขอพอรหน่อยเพราะว่าจะได้กรวดน้ําเราก็บอกว่านี่ก็ให้พรไปแล้วเไงนะแต่ว่ามันไม่ใช่พรที่โยมเนี่ยคาดหวังนะเพราะว่าโยมคาดหวังว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยคําว่ายะถาสัพพีถ้ามายังถ้ายังไม่ยถาสัพพีก็กรวดน้ําไม่ได้ที่จริงกรวดน้ําเนี่ยนะมันไม่จําเป็นต้อง ทำในขณะที่พระให้พรไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็ได้เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องสวดคาถาที่เริ่มต้นด้วยว่ายะถาสัพพีนะจึงจะกรวดน้ําได้จริงแม้พระไม่ได้ให้พรหรือไม่ได้กล่าวอะไรเลยโยมก็กรวดน้ําได้นะเพราะการกรวดน้ําี่มันทําได้ทุกเวลาแต่ว่าถ้าจะทําให้ดีก็ควรทําตอนที่เริ่มหรือเพิ่งให้ทานเสร็จใหม่ๆ พอตอนนั้นจิตเป็นกุศลพอจิตเป็นกุศลนะหรือว่าจิตแจ่มใสเนี่ยก็เรียกว่าใจเป็นบุญละพอใจเป็นบุญนะการที่จะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยการกรวดน้ําเนี่ยมันก็จะเกิดผลนะเต็มแมตเต็มหน่วยพราะกวดน้ําคืออะไรกรวดน้ําคือการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับทําเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ทําโดยที่ ไม่จาเป็นต้องมีพระมาให้พรหรือพระให้พรแล้วก็ไม่ต้องเลือกว่าเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยยะถาสัพพีถ้าเริ่มต้นด้วยอภิวาทนาสีนี่ถือว่ายังกรดน้ำไม่ได้เพราะว่ายัางไม่ได้เป็นการให้พรที่ถูกต้องที่จริงอภิวาทนาสีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของยะถาสัพพีนั่นแหละแต่ว่าเป็นการให้พรแบบ ย่อๆนะแต่ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของยถาสัพพีแต่โยมไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจวันหนึ่งเนี่ยอภิวาทนาสีหรือยะถาสัพพีมันก็คือการให้พรเหมือนกันและสองไม่เข้าใจว่ากรวดน้ําเนี่ยนะจะมีพระให้พรหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญขอให้ใจของผู้กรวดเนี่ยเป็นกุศลนะไม่วกแวก น้อมใจนึกถึงผู้ที่ลงรับนะและด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละนะที่จะทําให้บุญเนี่ยส่งไปถึงผู้ที่ลงรับได้ทันทีแล้วก็เต็มไม่เต็มหน่วยนะอันนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในนี้คนไทยเราเนี่ยไปติดที่พิธีกรรมมากนะไปติดที่รูปแบบว่าจะกรวด น, น้ํานี่หนึ่งต้องมีน้ำสองต้องกลัวขนาดผ้าให้พรนะ และราะให้พอนี้ต้องยะถาสัพพีนะถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะอันนี้มันรูปแบบนะเป็นพิธีกรรมซึ่งท่านบัญจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเกื้อกูลให้ญาติโยมเนี่ยน้อมใจเป็นกุศล น, นะแต่พอไปติดที่รูปแบบนะไปะติดที่พิธีกรรมมันก็ลืมเรื่องเนื้อหาไป เนื้อหาหรือสาระมองข้ามไปไปติดที่รูปแบบนะอย่างให้พอนี่ให้พรเนภาษาไทยก็ไม่ได้นะก็ถือว่ายัางไม่ให้พรต้องเป็นภาษาบาลีเท่นั้นที่ความหมายมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะเป็นเรื่องดีๆที่คนปรารถนาเพียงแต่ฟังรู้เรื่องนี้คนไทยเราทําบุญเนี่ยติดที่รูปแบบมากนะเคยไป บินธบาตแล้วมีโยมตามบินธบาตโยมเห็นชาวบ้านเนี่ยยืนรอใส่บาตรใส่ข้าวเหนียวโยมก็อยากใส่บาตรบ้างทํำยังไงนะก็ไปเอาเข้าวเหนียวของชอาวบ้านเนี่ยมาใส่ที่จริงเนี่ยการทําบุญหรือการให้ทานเนี่ยมนไม่อยู่ที่กิริยาการใส่บาตร มันอยู่ที่การสละและการสละเนี่ยน้ําต้องเป็นสละของของตัวไม่ใช่เอาของคนอื่นนี่มาสละ น, ะนะไม่ใช่ว่าไปเอาเข้าวเหนียวของชาวบ้านเนี่ยมาใส่บาปของพระแล้วมันจะเป็นการได้บุญเพราะไปเข้าใจที่ทํากันเพราะเข้าใจว่าเนี่ยทําอย่างนั้นแล้วจะได้บุญอันนั้นมันเป็นกิริยาเป็นรูปแบบนะบุญนี่ไม่อยู่ที่กิริยาไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ แต่มีที่เนื้อหาสาระคือการสละของของตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเพราะนั้นเนี่ยเอาเข้าวเหนียวหรือเอาเงินของคนอื่นมาใส่บาศเนี่ยมันก็ได้บุญน้อยนะจริงไม่ต้องเอาเข้าวเหนียวเอาเงินของใครมาใส่บาศก็ได้บุญเหมือนกันนะถ้าเพียงแต่อนุโมทนาอนุโมทนาบุญเนี่ย โยมชาวบ้านก็ใส่บาตรแล้วก็นุโมทนาไปด้วยอนุอนุโมทนาเหมือนกับว่าเร า, เาทําอย่างนั้นด้วยตัวเองก็ได้บุญนะเรียก ว, ว่าปัตตานุโมทนาใหม่นะปั ต, ตานุโมทนาใหม่คือการนุโมทนาในความดีที่ผู้อื่นได้ทำในบุญที่ผู้อื่นได้บําเพ็ญนะอยากได้บุญก็อนุโมทนาไม่ต้องไปเอ า, เ, อาเข้าวเหนียวของคนอื่นมาใส่ให้พระนะ แต่ว่าข้อปฏิทิรูปแบบเนี่ยว่าเนี่ยจะได้บุญต้องมีกิริยาการใส่บาตรแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นเรื่องเนื้อหาสาระเรื่งมีแปลกๆนะเดี๋ยวนี้นะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยมาถวายสังฆทานกับพระพูดคุยสักพักพระท่านก็นจะเริ่มให้พรสามีบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะชวนคุยต่อ พูไปพักหนึ่งนะจงกระทั่งภรรยาเนี่ยเดินออกไปจากห้องสามีก็เลยบอกว่าเอา้านิมนถ้าคุณเจ้าให้พรได้พระท่านก็ให้พรให้พรเสร็จก็ถามว่าทําไมไม่รอให้ภรรยาอยู่ก่อนไม่รอ้อยภรรยากลับมาก่อนจึงจะได้รับพรพร้อมกันแต่บอกว่าผู้ชายนนี้บอกว่าเนี่ยขืนภรรยามารับพรด้วยเนี่ย พรหรือบุญที่ตัวเองได้ก็จะน้อยลงคือหารสองอยากได้เต็มเต็มรอเอร์เซ็นกะ็เลยต้องให้เมียไปก่อนนี่หนักนะอันที่หนึ่งไม่เข้าใจว่านะพรเนี่ยนะมันมีการหารได้ด้วยนะหรือบุญกุศลที่มันหารได้ด้วยนะที่จริงไม่ได้นะไม่จำเป็นเลยนะจะรับพรกี่คน บุญก็ได้รับเต็มไม่เต็มหน่วยถ้าวางใจถูกนะวางใจเป็นคือวางใจเป็นกุศลและสองนี่สะท้อนนะการหวงบุญนะหวงกุศลเวลาจะรับพรหรืออยากจะได้บุญนะต้องการรับเต็มๆไม่อยากจะแบ่งให้คนอื่นแม้จะเป็นภรรยาทึ่นี่ขนาดภรรยานะยังไม่ยอมแบ่งบุญให้เขาเลยถ้าเกิดแบ่งได้จะรับเอาเต็มๆเลย อันนี้รว่าหวงบุญนะมันไม่มีในพุทธศาสนานะประเภทว่าอ่บุญนี่ถ้าเกิดว่ามีคนฟังเยอะๆมีคนรับเยอะๆเนี่ยมันก็จะถูกหารไปตามจำนวนคนที่รับบุญรับพรมีร้อยก็ได้ร้อยมีพันก็ได้พันถาวางใจเป็นและท่านก็ไม่ได้สอนให้หวงบุญนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทาบุญเนี่ยหวงบุญเนี่ยอันนี้ไม่ได้บุญหรอกหรืได้บุญน้อยเพราะบุญเนี่ยคือการสละเกิดขึ้นจากการสละ บุญเป็นไปเพื่อการลดความตนหนีทําบุญเนี่ยแต่ว่าทําด้วยจิตที่หวงหวงบุญเนี่ยมันได้บุญน้อยหรือไม่ได้เลยเพราะมันมีกิเลสมาแทนที่มันมีความตนหนีมาแทนที่นะ <Yeah. S 1> แต่ทีนี้เป็นกันหนักนะเวลาจะแผ่เมตตาเวลาจะแผ่บุญกุศลส่วนกุศลไมให้สรรพสัตว์เนี่ยบางทีก็มีคนสอนว่าอย่าทาอย่างนั้นนะเพราะเดี๋ยวบุญของเราจะเหลือน้อยลงบุญนี่มันไม่เหมือนเงินนะเงินเนี่ยเราให้คนอื่นเยอะ เงินในกระเป๋าก็เหลือ น, น้อยแต่บุญที่เรามีเนี่ยยิ่งแผ่ไปให้นะมันยิ่งเพิ่มมันยิ่งได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิทานน้ำไม้นะปฏิทานน้ำไมคือว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญให้กับผู้อื่นยิ่งอุทิศให้นะยิ่งได้นะไม่ใช่ยิ่งโหดยิ่งหายอันนี้สาวไม่เข้าใจเลยนะคําสอนพื้นฐานทางพุทธศาสนาอยากจะทําบุญแต่ไม่เข้าใจบุญอยากจะทําบุญแต่ว่าวางใจ ไม่ถูกนะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความโลภแบบนี้มันได้บุญน้อยเดี๋ยวนี้นี่เข้าใจกันผิดพลาดข้าเคลื่อนมากนะทาบุญก็เลยได้บาปทําบุญก็เลยได้อกุศลมาแทนที่ต้องเข้าใจถูกต้องนะอย่าไปติดที่รูปแบบหรืออยไปติดที่ความเห็นแก่ตัว